เมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนตัวและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงและเมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนย้ายวะอิดัลไลชารอฏฏิลันตวะอิดัลนูฮูชูฮูชิเราะและมะอูตท้องเม 10 เดือนถูกทอดทิ้งและเมื่อสัตว์ป่าถูกนำมารวมกันวะอิดัลบิฮารุซุจเราะวะอิดัลนูฟูซุซุวิจัตและเมื่อทะเลลุกเป็นไฟ แล้วเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจัดเป็นคู่วะอิดัลเมาอูดะตุซุอิลัตบัยใดนบินกุติลัตแล้วเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถามด้วยความผิดอันใดเล่าเขาจึงถูกฆ่าวะอิดัสซุฮุฟุนุชิเราะตุวะอิดัสซะมาอูคุชิตัตแล้วเมื่อบันทึกทั้งหลายถูกกางแผ่ ແລະເມື່ອຊັນຟ້າຖືກເປີດອອກ ວ່າອິﺫັລຈະຮີມຸສຸຮິຣະຕຸ ວ່າອິﺫັລຈັນນະຕຸອֻຊນິຟະຕ ແລະເມື່ອນະລົກຖືກຈຸດໃຫ້ລຸກສະຫວ່າງຈ້າແລະເມື່ອສະຫວັນຖືກນຳເຂົ້າມາໃກ້ອາລິມະນັບສຸມມາອະຮດະຕທຸກຊີວິດຍ່ຳຮູ້ສິ່ງທີ່ຕົນໄດ້ນຳມາຕາລາອຸຄຸສມຸບິລຄຸນນະສິລຈາວາລິກຸນນະ ข้าขอสาบานต่อดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันที่โคจรรับดวงวัลไลลีอิดาอัสอสะวัสซุบฮิอิดาทะนะฟะซข้าขอสาบานในกลางคืนเมื่อมันมืดมิดและด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสงอินนะฮูละกอูลุรอซูลินคารีม แท้จริงอัลกุรอานคือคำพูดของรอซูลยิบรอฮีมผู้ทรงเกียรติดีกุวัตินนัดดิลอัรชมะกินนูฏอออินทัมมะอามีนผู้ทรงพลังผู้ทรงตำแหน่งสูงณพระเจ้าแห่งบัลลังก์ที่มั่นคง ผู้ได้รับการจงรักภักดีผู้ซื่อสัตย์ณที่โน้นณที่พระผู้เป็นเจ้าและสหายของพวกเจ้าคือมูฮัมหมัดนั้นไม่ใช่เป็นคนวิกลจริตแต่ประการใดและโดยแน่นอนมูฮัมหมัดได้เห็นยิบรอฮีมนักขอบฟ้าอย่างชัดแจ้ง และเคาะมุฮัมมัดมิใช่เป็นผู้ตรณีในเรื่องเร้นลับวะมาฮุบิกอลิชัยฏอนิรระญีมฟาไนทัซฮะบูนและอัลกุรอานนี้ไม่ใช่คำกล่าวของชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งแล้วพวกเจ้าจะไปทางไหนเล่าอินฮุวะอิลลาซิกรูลิลอาลามีนลิมันชาอะอ์มินกุมอันยัสติกีม อัลกุรอานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติทั้งหมดสำหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์จะอยู่ในทางอันเที่ยงตรงวะมาตะชาอูนอิลลาไอยะชาอัลลอฮุร็อบบุลอาละมีนและพวกเจ้าไม่สมประสงค์สิ่งใดเว้นแต่อัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลกจะทรงประสงค์